ข้อความในคัมภีร์คุถการนิกายพุทธวงศ์วันนี้มาขึ้นวงของพระปิยทัศสศรีพุทธเจ้าเนียนะเรียกว่าพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาขณะที่พระองค์ประสูตินั้นหมู่มหาชนทั้งหลายได้เห็นวัตถุอันเป็นที่รักได้เห็นแต่สิ่งที่น่าปรารถนาพระองค์ก็เลยชื่อว่าปิยทัศนศีปิยนี่แปลว่าเป็นที่รัก ทัศสีแปลว่าการเห็นก็แว่าผู้พระพุทธเจ้าผู้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็แปลว่าการเกิดขึ้นของพระองค์นั้นชนเหล่าใดผู้ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้เห็นอย่างที่ตัวเองต้องการถอยลําจากนี้ไปประมาณ 1,800 พกับเนี่ยในสมัยของพระพุทธเจ้าปิยทัศสี เมื่อสมัยหนึ่งพันแปดร้อยกับนั้นได้มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสมองค์เนี่ยนะปิยทัสศสีอัฏฐทัศีและธรรมทัศนีนีม่มาพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สิบสามเนี่ยนะที่มาพยาที่พยากรพระโพธิสัตว์หรือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราสมัยที่พระองค์ยังบำเพ็ญบารมีสิบประการข้อความในพุทธวงข้อสิบสี่ได้กล่าวว่า ต่อจากสมัยพระสุชาติพุทธเจ้าวันเวลาก็ว่างเปล่าจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธศาสนาขึ้นในโลกประมาณ 28,200 นแกับว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแม้แต่เพียงพระองค์เดียวผ่านไปเมื่อถึงประมาณกับที่ 1,800 นับถอยหลังจากนี้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าติยทัศีพระองค์นั้นผู้มีพระยศใหญ่ คำยศหมายถึงพระองค์นี่มีบริวารมากบริวารเป็นพระองค์เป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะผู้ใดผู้ใดนับถือพระองค์พระองค์ก็ชื่อว่ามียศสําหรับผู้นั้นเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเป็นที่ตั้งแห่งความยําเกรงพระพุทธเจ้าปิยทัศนีผู้นําโลกนั่นนำโลกให้ออกจากวัฏฏุกข์เป็นพระพุทธเจ้าที่เข้าเฝ้าได้ยาก จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี้เข้าเฝ้ายากหมดเลยผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้านะพระองค์นี่เสมอกับพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอคือพระองค์นั้นเสมอแต่กับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นพระพุทธเจ้าปิยะทัศนนั้นเป็นผู้มีบริวารยศหาประมาณไม่ได้แม้พระองค์นั้นพระองค์นี่รุ่งโรจน์แปลว่าสว่างสวัยเหมือนดั่งดวงอาทิตย์ อันนี้ด้วยอนุภาพของปัญญาด้วยพุทธญาณหรือว่าสัมมาสัมโพธิญาณของพระองค์นั้นสว่างสวยัยเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็กำจัดความมืดยังแต่ความสว่างให้เกิดขึ้นแก่โลกฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นประดุจดวงอาทิตย์ก็ฉันนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกก็ขจัดความมืดนะนะกำจัดความมืดที่ปกปิดทุกขจัดความมืดที่ปกปิดสมุทยัย กำจัดความมืดที่ปกปิดพระนิพพานกำจัดความมืดที่ปกปิดอริยมรรคขจัดความมืดที่ปกปิดออขันธาตุอายตนะที greeting, ่เป็นอดีต falsch, ขจัดความมืดที่ปกปิด ates, ขันธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตขจัดความมืดที่ปกปิดทั้งอดีตอนาคตขจัดความมืดที่ปกปิดปฏิจจสมุปบาทขจัดความมืดที่ปกปิดไม่ให้เห็นชาติชรามรณะที่มีชาติเป็นปจัจจัย ปกปิ ด, อ า, ดาอาคธิรวาอวิชานั้นเป็นธรรมชาติที่ปกปิดธรรมชาติที่ทําให้ไม่รู้ไม่เห็นนะถ้าใครเคยเดินทางยามค่ําคืนโดยเฉพาะต้องปีนเขาเป็นต้นนี่นะข้ามจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่งที่เต็มไปด้วยเหยวและเต็มไปด้วยสัตว์ ร, ร้ายในถ้ำกลางบรรยากาศที่ไม่มีไม่มีแสงไฟฉันใดผู้ที่ท่องไปในวัตตะก็ฉันนั้นเนี่ยนะฉันผู้ที่ท่องไปในวัดตะนั้น โดยมากแล้วไม่มีแสงสว่างอยู่เลยเดินทางไปในวัตฏะด้วยความมืดเครียกว่ามีแต่จักขุวิญญาณแต่วิปปัญญาญาณเป็นต้นไม่เกิดมีแต่โสตวิญญาณได้ยินเสียงแต่ว่าไม่มีกรรมสกตายานเป็นต้นในยามได้ยินะนะมีคานะวิญญาณรู้กลิ่นแต่ไม่รู้กรรมและผลของกรรมเป็นต้นยามเมื่อรู้กลิ่นรู้แต่รสที่หวานขมเผ็ดเปรี้ยวเป็นต้นแต่ไม่รู้ ถึงกรรมและผลของกรรมทบสัมผัสรู้เย็นรอน้อนอ่อนแข็งเจบ็บปวดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือสุขสบายทางกายแต่ก็ไม่มีปัญญาพอที่จะเห็นความจริงว่าเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านั้นคืออะไรสิ่งที่เพิกถอนสิ่งเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงนั้นคืออะไรหรือว่าได้แต่มีความคิดนึกคิดคิดไปด้วยอกุศลสังคัปะกรรมมวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้าง วิหิงสาวิตกบ้างแต่ก็ไม่อย่างรู้ถึงอริยศัสตร์ที่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเช่นใดพันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีแสงสว่างมีปัญญาประดุดดังดวงอาทิตย์เนี่ยนะขะจัดความมืดทุกอย่างโดยประการทั้งปวงไม่มีส่วนเหลือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปเนี่ยนะปฏิเสธข้อปฏิบัติทั้งที่เป็น กา ม, มัสุขาลิการุโยคปฏิเสธข้อปฏิบัติอัตติระมัทานุโยคประกาศข้อปฏิบัติ น, นะคือมัชชีมาปฏิปทาอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่ทำจากโสให้เกิดทรรมญาณให้เกิดทรรปัญญาให้เกิดเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความตรัสรู้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานอันนั้นคือข้อปฏิบัติที่พระสัมมาสัสมพุทธเจ้าประกาศ น, นะเพราะว่า พระองค์เดินตามทางเช่นใดแล้วพ้นทุกข์พระองค์ก็เอาหนทางคืออริยมรร์เหล่านั้นมาแต่งตั้งประกาศเปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งว่าทางอันนี้ทางคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบด้วยพระปัญญาอันยิ่งนะเป็นผลผลิตจากการสร้างบารมีของพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นผลของอัธยาศัยที่มีใจกรุณามุ่งให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยพระองค์ก็เลยเอา อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้มาบอกกล่าวแต่งตั้งเปิดเผย น, นะเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาเกิดแสงสว่างเกิดความรู้เกิดความเห็นในอริยาศัสตร์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยทัศ ส, สีเนี่ยนะบำเพ็ญพุทธกิจทั้งหลายมีเหตุการณ์ที่น่าอาัศาจรรย์เป็นสองกลุ่มใหญ่ที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ อย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมครั้งใหญ่ๆเหตุการณ์ที่สําคัญสำคัญในการบรรลุธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดและอย่างที่สองสาวกสันิบาตการประชุมพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกอันนี้เป็นสาระสําคัญที่เอามาแสดงในพุทธบงเนี่ยนะคือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยพระนามว่าอะไร มีชาติตระกูลพุทธบิดาเป็นต้นเช่นใดเมื่อพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีมาเช่นใดจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์แสดงธรรมสงเคราะห์สัตว์ให้ตรัสรู้เท่าใดนะแต่ละครั้งที่ตรัสรู้ครั้งใหญ่ๆเนี่ยมีเท่าไรปริมาณอย่างไรแล้วก็ การประชุมอรหันตสาวกของพระองค์เป็นเช่นใดพระสรีระของพระองค์เป็นเช่นใดพระชนมายุของพระองค์เป็นอย่างไรพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจเหล่านี้แล้วดับขันปรินิพานสถูปหรือเจดีที่สร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุใหญ่แค่ไหนหรือว่าพระธาตุเหล่านั้นกระจายไปตามสถานที่ต่างๆสําหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศนีนั้นพระองค์เป็นผู้มีพระเดชอันช่างไม่ได้ อ่นะไม่มีผู้ใดจะเอาอะไรไปตวงเป็นเป็นมาสเป็นเครื่องวัดนะนะไปช่างว่าศีลของพระองค์เป็นเท่านี้สมาธิของพระองค์ปัญญาของพระองค์เป็นต้นแต่ละอย่างเท่านี้เท่านี้มันพระองค์ไม่มีผู้ใดช่างได้ในอริยคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าปิยะทะัศีมีอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งใหญ่ๆอยู่สามครั้งด้วยกันอ่นะอภิสมัยสมัยที่พุทธบริษัททั้งหลายแทงตลอดอริยสัจครั้งที่หนึ่ง เนี่ยมีศัตว์ที่ตรัสรู้ตามประมาณแสนโกฎเนี่ยนะส่วนครั้งที่สองเนี่ยนะสมัยที่ในสมัยที่เก้าหนึ่งแสนโกดนั้นก็คือเท้าสุทัศนเทวราชชอบใจมิจฉาทิฐิพระศ า, าสดานั้นผู้มีใจกรุณาก็ทรงบันเทาความเห็นผิดมิจฉาทิฐิของเท้าเธอเนี่ยนะก็คือของ พระเจ้าของเท้าสุทัศนเทวราหรือพระราชามิจฉาทิฐิพระราชาเทวดานะพระองค์ก็แสดงความโปรดในครั้งนั้นการประชุมชนนับไม่ได้ก็เป็นมหาสันนิบาตอภิสมัยการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์จำนวน 90,000 กอดครั้งพระผู้เป็นสารถีฝึกคนผู้ฝึกบุรุษ ที่คู่ควรแก่การฝึกได้ทรงฝึกพระยาช้างโทนมุกคล้ายๆกับช้างนารากิรีอภิสมัยการตรัสรูธ้ธรรมในครั้งที่สามก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ 80,000 ื่นโกดพระพิยะทะสัสน์เุุเจ้าแม้พระองค์นั้นก็ทรงมีสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกจำนวนสามครั้งครั้งแรกมีสาวกมาประชุมกันประมาณแสนโกดพระมุนี พระองค์นี้มีพระสาวกอยู่9 0,000 ื่นโกรธประชุมพระสันนิบาตเป็นครั้งที่สองส่วนครั้งที่สมีพระสาวกจํานวน 80,000 ื่นโกรธมาประชุมกันพูดถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้บําเพ็ญบารมีเนี่ยนะเวียนไหวตายเกิดท่านมีบุญก็เกิดทันยุคพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าปิยทัศี พระองค์ก็เล่าให้ภาษาริบตรฟังว่าเมื่อหนึ่งพกลับก่อนนั้นน่ะพระองค์เป็นมานพมานพุมนพแปลว่าชายหนุ่มเนี่ยนะชายหนุ่มที่อยู่ในวันณพราหม์ชื่อตามนามสกุลว่ากัสปะเป็นผู้คงแกเรียนทรงมนจบไตรเพศมานพบพรามหมณุมกัสปะคนนี้ก็เข้าไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปิยทัศี น, นะเมื่อพระพุทธเจ้าหลังธรรมทานให้เขา เขาก็เกิดความเลื่อมใสเนี่ยนะมีศรัทธาเพราะว่าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจเพราะด้วยศรัทธาเนี่ยนะเป็นเหตุให้ทําพุทธบูชาก็คือได้สร้างสังขารามก็คือสร้างสถานที่น่าเรื่อนรมถวายแก่พระพิสุสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยทรัพย์ประมาณแสนกกเนี่ยนะก็คือเป็นลูกชายมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยมากเป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่มากก็สลัทรัพย์ สร้างเป็นสังคารามก็คือสร้างวัดสร้างสถานที่น่ารื่นรมถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระโพธิสัตว์นั้นได้ถวายอารามเนี่ยนะคล้ายๆกับสร้างอนาถาินทิกะเศรษฐีสร้างพระเชตวนารามพระเจ้าพิมพิสารถวายเวรุวานารามเป็นต้นเนี่ยนะท่านท่านเหล่านี้ก็สร้างอารามเป็นพุทธบูชา หรือถ้าเป็นแบบพวกเศรษฐีสร้างก็คือกลุ่มโคสิตะเศรษฐีเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างโคสิตารามพระโพธิสัตว์นั้นได้ถวายพระอารามแล้วก็ร่าเริงดีใจมากนะที่ได้มีบุญมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้เจริญบุญเจริญกุศลกับพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศี น, นี้ท่านก็สลดสังเวชว่าโอกาสนี้ถ้าท่านไม่บำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยนะ ยากที่จะได้พ้นได้แตัสรู้ง่ายๆก็เลยสังเวทใจก็เลยยึดถือข้อปฏิบัติคือสารณะและศีลห้าเอาไว้อย่างมั่นคงมากนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะอย่าลืมว่าสาระของสารณะคือศรัทธาและปัญญาสาระของศีลอยู่ที่เจตนาและวีรตีเพราะฉะนนั้ท่านยึดถือเอาศรัทธากับปัญญาของท่านเป็นสาระสําคัญศรัทธาของท่านตั้งมั่นในสิ่งที่ไม่หวั่นไหวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ไม่หวั่นไหวประดุษ ผู้เขาสิเนรุราชเนี่ยนะที่ไม่หวั่นไหวเป็นที่ที่มั่นคงฉะนั้นอันพระองค์ก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นสารณะก็สมาทานถือข้อปฏิบัติเจตนาที่เว้นจากการฆ่าลักประพฤติผิดในการมพูดเท็จดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติรักษาเจตนารักษาเวียตีไว้อย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพนามว่าปิกวิปัสสีเข้าไป พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระปิยทัศนีพุทธเจ้าพระองค์ประทับนั่งในถ้ำกลางพระภิสุสง์พยากรณพระโพธิสัตว์ว่าล่วงไปผ่านไปอีกหนึ่งพันแปดรกับพราหมณ์หนุ่มมานบกบสบโคดคนนี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้านะพระตถาคตคือผู้ที่บำเพ็ญบารมีได้เต็มเปี่ยมเฉกเช่นกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน จากเสด็จออกพินินสกรมคือการออกบวชจากกรุงกบิลพั์เป็นเมืองที่น่ารื่นรมรว่าเป็นเมืองที่อยู่เพลิดเพลินและก็สุขสบายแต่ก็บรรยากาศที่ไปก็ยังร่มรื่นอยู่นะพระพระตถาคตก็ตั้งความเพียรทำทุกขระกิริยารวบรวมโพธิปักจยธรรมเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นประทับณโคนต้นอชาปาร ะ, ะนิคโครต้นไทรที่ชาวเด็กเลี้ยงแพ้ไปพักเนี่ยนะแล้วก็รับข้าวมาทุปายญาณณที่นั้นเมื่อรับข้าวมาทุปายญาณเสร็จแล้วก็เสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชาราพระชินเจ้าพระองค์นั้นสเสวยข้าวมาทุปายญาณที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราเสร็จแล้วก็เสด็จ ด, ดําเนินไปตามหนทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้ไปที่โคนโพพฤกษ จากสถานที่ลอยถาดไปหาต้นโพก็น่าสักสองกิโลได้นะไม่ไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยนะเดินแป๊บเดียวเองเนี่ยนะสมัยที่ต้นไม้ร่มรื่นบ้านเมืองร่มเย็นเนี่ยนะก็ไม่ไกลเท่าไหร่จากนั้นพระผู้มีพระยศนะนะพระผู้มียศก็คือเป็นหัวหน้ามีบริวารมากพระองค์ก็ทรงประกาธรมประทักษิณเวียนขวาโพ ท, ที่มันสถาน นะสถานที่ที่ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมที่พระองค์ประทับนั่งพิจารณาเริยสัตว์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสรูนะ้ณโคนต้นโพเพริกต้นโพบายชื่อว่าอสัทธะหรืออสัทธะเพริกเนี่ยนะเป็นภาษาบาลีเรียกว่าต้นอสัทธะเนื่องจากพระพุทธเจ้าประทับนั่งณนะต้นนี้แล้วตรัสรู้พระองค์ก็เลยชื่อว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ชื่อว่าต้นโพ พระพุทธเจ้าพระองค์นี้หรือว่าพระพุทธเจ้าโคตมะโคดมพระองค์นี้เนี่ยนะหรือผู้นี้ต่อไปในอนาคตที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระชนนีพระพุทธมารดาพระนามว่ามายาพระชนกพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าสุดโทธนะจากตัวท่านเองมีนามตามโคตว่าโคตมะอัครสาวกข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาโกริตะและอุปติสะ เป็นะ่าหันผู้ปราศจากอาสวะทั้งสี่มีมีใจปราศจากราคะมีจิตใจที่สงบแล้วก็ตั้งมั่นหรือเป็นผู้คงที่พระพุทธอุปถาคอยบำรุงนะปรนิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเชื่อว่าอานันท์จับบำรุงพระชียนเจ้านะคอยทรมนบำรุงดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่พุทธอุปถาเชื่อว่าพระอนุน์ อัครส า, าวิกาเนี่ยนะสาวกฝ่ายหญิงที่ช่วยงานในการประกาศอริยรสัจสงเคราะห์สั์ทั้งหลายก็คือพระนางเขมาและอุบลวันนาพระรหารสาวิกานั้นก็เป็นผู้ที่ไม่มีอาสะวะปราศจากราคะมีจิตสงบมีจิตใจที่ตั้งมัน่นโพพฤกต้นไม้งไงที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นอสัต t ต้นโพใบ อัคราอุปถากชื่อว่าจิตตะและหัตถะอลวกกะอัคราอุปถายุกาชื่อว่านันทมาตาและอุตราพระโคโดมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มียศมีพระชนมายุในยุคสมัยที่คนมีอายุร0อยปีสมัยที่ มานบกสปะเนี่ยนะทำบุญเป็นพุทธบูชาสร้างวัดถึงกระชลองวัดอะไรเป็นต้นเลยนะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าพยากรให้นั้นน่ะก็มีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ณนะสถานที่นั้นได้ฟังพระดํารัสพุทธพยากร์ของพระปิยทัศน์สีพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธทางกูลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอีก หน0่ 1> 1, กับเพราะฉะนั้นหมื่นโล ก, กาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็พากันโหร้องปรบมือหัวเราร่าเริงประคองอัญเชลีนมั ส, สการเหมือนอย่างว่าใครที่ดูตารางดูตั๋ตวในการเดินทางเออถ้าพลาดเที่ยวนี้ก็ยังเที่ยวนี้นะเอ๊ยังมีให้ไปอีกตั้งหลายเที่ยววะท่านดูตารางเดินทางแล้วแม้ถ้าพลาดเที่ยวนี้เที่ยวหน้าน่าจะได้ไปท่านเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความปราบเริ่มปีติเช่นนั้นว่า สมมนะถ้าพวกเราพลาดศาสนาของพระโลกกนานาะพระปิยทัศนีพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตการเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตเปรียบเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าจะข้ามแม่น้ําถ้าหาว่าพลาดท่าน้ําท่านี้เฉพาะหน้าตอนนี้เดี๋ยวก็ถือรอถือเอาท่าน้ําข้างหลังเนี่ยนะที่จะมีต่อไปข้างหน้านี่แหละ เพื่อที่จะข้ามไปฉันใดพวกเราทุกคนถ้าหากว่าพลาดหรือผ่านพ้นไม่ได้ปฏิบัติตรัสรู้อริยสัจในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นี้ในอนาค ต, ตการพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมผู้นี้ฉันนั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความคิดของผู้ที่เรียกว่าต้องอาศัยเรือใหญ่เนี่ยนะจะต้องอาศัยสำเพอของ พระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะข้ามเพราะไม่สามารถข้ามได้โดยลำพังเพราะว่ากระแสแห่งสังสารวัฏเป็นกระแสที่เชี่ยวกราบเน่นะเป็นกระแสที่เต็มไปด้วยห้องน้าเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลพร้อมที่จะจมลงไปในวัตะเนี่ยนะโอกาสที่จะโผล่รอดนี่ ย, ยากนันสิ่งที่จะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนเรือพาข้ามฝั่งทะเลกันนะนะพาข้ามจากวัตะสู่วิวัตะฝา พาข้ามจากทางกันดา n ที่เต็มไปด้วยชาติชรามรณะถึงปรินิพานได้ก็ต้องอาศัยเกาะพระพุทธเจ้าผู้เป็นเหมือนกับสำเพลวลำใหญ่เป็นเหมือนกับเรือลำใหญ่ที่จะพาข้ามพ้นจากทะเลทุกข์นั่นเองฝ่ายพระโพธิสัตว์พอได้รับฟังคําพยากรณ์พุทธธรรนายจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิยะทัศสีแล้วจิตใจก็เลื่อมใส ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปอธิษฐานข้อวัดให้ยิ่งยวดยิ่งขึ้น น, นะประเพร์วัดวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องประเพร์ข้อปฏิบัติเหล่าใดที่จะทําให้พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็อธิษฐานข้อวัดให้ให้มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นสุเมศบัณฑิตหลังจากที่ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วท่านก็สมาทานอธิษฐานข้อวัดข้อปฏิบตัติหรือพุทธ ก, กัลกฐธรรมธรรมที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งนั้นก็คือบรารมีสิบให้ บริบูรณ์อันนี้ถ้ากล่าวเป็นหมวด10เนี่ยนะกล่าวเป็นหมวด10คุณธรรมที่จะทําให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือบารมี10อุปปารมี10และปรมัทธปารมี10แต่ถ้ากล่าวไล่ทั้งแต่หมวด1ขึ้นมาเนี่ยนะหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5หมวด6หมวด7หมวด8ปดหรือว่าหมวด10ก็ตามหรือหมวดที่มากกว่านั้นก็ตามอย่างที่เราเคยได้ยินว่าหมวด1ในการที่จะบําเพ็ญข้อวัดให้ยิ่งยวด อันนั้นก็คือกรุณาสิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนให้เต็มเปี่ยมได้ก็ต้องมีใจกรุณาเห็นความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็มีเจตนาลมตั้งใจที่จะช่วยเปลื้องเขาให้พ้นไปจากความทุกข์ความยากความยากลาบากโดยประการทั้งปวงนั้นเจตนาความตั้งใจว่าจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้อย่างไรอันนั้นเป็นใจกรุณาที่มุ่งมุ่งเปลื้องทุกข์เพราะเห็นความทุกข์ของเขาเป็นอเนกประการ พันในโลกนี้นะทุกทั้งร่างกายทุกทั้งจิตใจทุกที่ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักทุกจากการพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักหรือทุก์ปรารถนาเพราะไม่สมหวังหรือความทุกอย่างที่เราสวดกันมาเมื่อกี้เนี่ยนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกเพราะฉะนั้นควรที่จะสร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะช่วยปลดเรื่องสรรพสัตว์พร้อมทั้งเทวดาให้พ้นไปจากทุก บอกเอเทวดาท่านก็มีความสุขทําไมต้องช่วยท่านให้ผลทุกข์ด้วยจริงอยู่เขาหัวเราะในตอนเช้าแต่ถูกประหารในตอนเย็นเนี่ยนะเรียกว่าจัดงานเลี้ยงส่งลาตายฉันใดเทวดาทั้งหลายก็ฉะนั้นเพียงแต่ว่าอยู่ไม่นานเนี่ยนะจริงอยู่ว่าบรรยากาศที่น่ารื่นรมเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแต่สุขในสวรรค์เป็นต้นยั่งยืนไหมเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีหรือว่าสมมุติว่าสวรรค์สมบัติหมดสิ้นแล้วไปไหนต่อ โดยมากก็ไปสู่อาบายทุคติวินิบาตนรกก่อนที่เขาจะไหลไปสู่กระแสะแห่งอาบายทุคติวินิบาตนรกก็ช่วยให้เขาตรัสรู้ช่วยให้เขาข้ามจากวัฏฏุกเหล่านั้ น, น, นเพราะพระองค์ก็มีใจกรุณาที่จะปลวงเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์